เรื่องเครื่องลาดต่างไม้เตียงผักสารสมัยนั้นภิกษุนอนบนพื้นดินเนื้อตัวบ้างจีวรบ้างเปื้อนฝุน่นภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุ